สิขาบทวิพัมหกร้อยยาคำว่าเพศัตไ ด, ด้ควรลิ้มสําหรับภิกษุผู้เป็นไข้เมียที่บายดังนี้ที่ชื่อว่าเนยใสได้แก่เนยใสทําจากน้ํานมโคบ้างเนยใสทําจากน้ํานมแพะบ้างเนยใสทําจากน้ํานมกระบือบ้างหรือเนยใสทําจากน้ํานมสัตว์ที่มีมังสะเป็นกัปยะที่ชื่อว่าเนยข้นได้แก่เนยข้นทําจากน้ํานมสัตว์เหล่านั้นแหละ ที่ชื่อว่าน้ำมันได้แก่น้ำมันที่สกัดจากมเลามล็ดง า, กกาน้ำมันที่สกัดจากมเลมล็ดผักกาดน้ำมันที่สกัดจากเมล็ดมะซาน้ำมันที่สกัดจากเมล็ดละหุงหรื อ, อน้ำมันไขสัตว์ที่ชื่อว่าน้ำพึ่งได้แก่น้ำรสหวานที่แมลงพึ่งทําที่ชื่อว่าน้ำอ้อยได้แก่น้ำรสหวานที่เกิดจากอ้อยคําว่าภิกษุรับประเคนเภสัตชนั้นแล้วเก็บไว้ฉันได้เจ็ดวันเป็นอย่างมากคือ ภิกษุพึงฉันได้เจ็ดวันเป็นอย่างมากคำว่าให้เกินกำหนดนั้นไปต้องอบัตินิสกิยาปาจิตีความว่าเมื่อรุ่งอรุณวันที่8เภสัสนั้นเป็นนิสกีคือเป็นของจำต้องสละแก่สงฆ์แก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสละเภสัชที่เป็นนิสกีอย่างนี้